วันอาทิตย์ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมพศสองพันห้ญญาร้สาสิบเก้าเป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุปนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอาจารย์สุเพทพโพธิสัทธาผ่านสาธารณชนที่รบพระสูตรวันนี้จะอธิบายสองสูตรเนื่องจากว่าเป็นสูตรที่มีเนื้อความให้กับพระสูตร หลายๆสูตรที่เราได้เคยพูดมาแล้วในครั้งก่อนๆสูตรแรกของวันนี้เป็นสูตรลำดับที่ห้าจุดหกคือในวรรคที่ห้าสูตรที่หก ท, ท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้รับเอก ส, สารอาจจะไปกอรับจากข้างนอกได้นะครับสูตรนี้มีชื่อว่าอัญญตระสูตรอัญญตระนั้นในภาษาบาลีแปลว่าคนใดคนหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นชื่อของพราหมณ์หรือไม่เป็นชื่อของใครแต่หมายถึงการพูดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยมิได้ระบุชื่ อ, อสําหรับบุคคลที่เป็นอัญญัตระหรืออัญญัตรโรบุคคลในที่นี้เป็นพราหมคนหนึ่งจึงระบุได้ว่าเป็นพราหม์ผู้หนึ่งหรือพราหมคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับที่เชตวันอารามของท่านอนาถาบิจกเกษฐีกรุงสาวัตถีคั้งนั้นแลพราม์ผู้หนึ่ง เข้าไปเฝพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งหน้าที่ควรส่วนครั้งหนึ่งรามนั้นคั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญคนนั้นทําเหตุคนนั้นเสวยผลหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนราม โบหานีิว่าคนนั้นทำเหตุคนนั้นเสวยผลเป็นส่วนสุดที่หนึ่งตามนั้นทูลถามว่าถ้าโคดมผู้เจริญก็คนอื่นทําคนอื่นเสวยผลหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนรามโบหานีิว่าคนอื่นทำเหตุคนอื่นเสวยผ ล, ปผป เ, เ, ยผลเป็นส่วนสุดที่สองไม่เป็น พุทธดรำรรตัดตอบคําถามของพราหมณ์สองคำถามซึ่งเราก็จะเห็นว่าคําถามที่พราหมณ์มาถามพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นคําถามในลักษณะถามเชิงเทียบเทียงคือพราหมณ์เองมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วนะครับมาถามพระผู้มีภาคว่าพระผู้มีภาคนั้นตรงเห็นอย่างไรเบทอธิบายในนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดกันในขั้นของสภาวะบรารมัีถ้าจะตีความกันอย่างธรรมดาก็ไม่รู้จะตีความทางไหนถูก คนนั้นทำคนนั้นสเสวยก็ไม่ใช่คนอื่นทำคนอื่นก็สวยก็ไม่ใช่นะะก็สรุปแล้วก็เป็นการอธิบายเรื่องอนัตตาอีกเหมือนกันในพระพุทธศาสนานี้ว่าการที่บุคคลทากรรมอะไรลงไปจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อทำลงไปแล้วเนี่ยเกิดผลอะไรขึ้น คือจะเป็นผลในเชิงกฎแห่งกรรมในนี้ก็พูดในเชิงกฎแห่งกรรมหรือว่าผลในเชิงความพยายามเช่นว่าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่ว่าเราหุงข้าวสักหม้อหนึ่งเพื่อจะบริโภคตอนที่เราหุงเนี่ยเราก็ว่าเราหุงและตอนที่เราคดข้าวออกจากหม้อเพื่อจะรับประทานเราก็ว่าเรารับประทาน LAUGHTER เร า, า, เรารปลูกข้าวเราได้ข้าวเราก็ว่าเราเราเราทําแล้วเราได้รับประทานนะ เราทํางานเราได้เงินเดือนอะไรพวกนี้ อ, อ็อธรรมดานี่แล้วก็ว่าเราเป็นคนทําเราได้เฉวยนะฮะนี่นี่คือผลจากความพยายามถ้าเป็นเรื่องกรรมก็คือเราทำกรรมชาติก่อนชาตินี้เราเฉวยผลกรรมทํากรรมชาตินี้ชาติหน้าเราเฉวยผลกรรมเวราเราจําไม่ได้ถ้าแม้ว่าจําได้สมมตินนะะใครคนใดคนหนึ่งจําได้ระลึกชาติได้จะด้วยวิธีใดก็ตามระลึกได้ว่าเราได้ทํากรรมอย่างนี้ไว้แล้วก็มาได้รับผลอย่างนี้ดีหรือชั่วก็ตาม เป็นคนเดียวกันหรือไม่ เ, เรื่องนี้นะสำหรับคนที่เขาเชื่อว่ามีตัวตนเชื่อโดยเหตุผลหรือโดยความรู้สึกอย่างเรารู้สึกแต่โดยเหตุผลสมัยถึงออกมาเป็นความเห็นที่เป็นทิฏฐิฝ่ายอัตตานุทิฏฐิหรือเพราะว่าทิฏฐิเนี่ยนะว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนก็แน่ล่ะครับว่าเราอย่างเราหุงข้าวเนี่ยนะครับใครมาถามว่านีใครหุง เราก็ต้องบอกเราหงงนี่ไายกินนั้นก็บอกเรากินเราจะบอกไม่รู้ไม่รู้ไม่รูม้มันก็ไม่ได้ทีนี้ไอ้จะพูดว่ายังไงเนี่ยมันก็แล้วแต่จะพูดหรอก ะ, ะแต่เอาความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทาเราเสวยใช่ไหอ่ามีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมีอยู่อย่างนี้ซึ่งเรื่องนี้เมื่อมาถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็ปฏิเสธว่าคนจะทำอะไร ด้วยเป็นโกรธแห่งกรรมหรือโกรธแห่งความพยายามและจะจำได้หรือจำไม่ได้จะมีความเห็นว่าอย่างนั้นหรือไม่เห็นว่าอย่างนั้นหลักทางศาสนาเราถือว่าอนัตตาทั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนและที่พูดโดาไม่ใช่ตัวตนหรือปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแน่นอนเรปฏิเสธแล้วมันอาจจะสวนความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันต้องมีตัวตน นั่นก็เรียกว่าผ่อนรู้สึกแต่เหตุผลที่เราชี้แจงเนี่ยเราชี้แจงได้ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ความสึกนอกจากจะชี้แจงได้ชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนแล้วนะฮะยังสามารถทําให้พิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างไรพิสูจน์อาจจะบางขั้นอาจจะยากหน่อยตรงนี้เราก็ไม่ได้องอธิบายนะจึงจะจะพูดอ้างเพื่อเจรจาความเข้ามาว่าไม่มีตัวตน ขณะทำก็ไม่เป็นตนหลังจากทำก็ไม่เป็นตนผมอาจจะย้ำเรื่องที่เคยบรรยายมาแล้วว่ า, าศาสนาพุทธนั้นถือว่ากรรมมีผลของกรรมมีแต่ตนผู้ทำกรรมตนผู้เสวยผลของกรรมโดยแท้จริงมิได้มีเมื่อตนไม่มีก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ว่า ตนทำตนเสมยแล้วถามว่าใครเถมยบอกว่าอนัตตาเสมยอนัตตาคืออะไรอนัตตก็คือนามรูปใช่ไหมเพราะว่าวิเคราะห์แล้วมันมีตนจริงจริงคนปฏิบัติธรรมก็เห็นว่ามันมีตนจริงๆรนี่เราพูดอย่างนี้กรรมมีทีนี้ไอ้กรรมเนี่ยเป็นตนไหมกรรมไม่ใช่ตนผลของกรรมก็ไม่ใช่ตนผู้ทํากรรมก็ไม่ใช่ตนนั้นเรียกกรรมเนี่ยเรียกได้ยอยมรับว่ามีได้ มีอย่างเป็นกรรมเพไม่ได้พูดว่ากรรมเป็นตนนี่เช้ามาแล้วแต่พอมาถึงผู้ทํากรรมเนี่ยพยายามจะพูดว่าผููทํากรรมเป็นตนแต่ตรงนี้เราก็รับไม่ได้ติพูดกันอย่างภาษาป ร, รมัตดนะถ้าภาษาสมมติแล้วแต่จะพูดก็ไม่เจอว่าใครทํำใครยังไงให้รู้ว่ามันเป็นเป็นป ร, รมรัตดไม่เทียงกันแต่ถ้าเป็นสมมุติไม่เทียงกันถ้าป ร, รมรัดแล้วต้องยืนอย่างนี้พราหมณ์พยายามจะพูดถึงตนอย่างเป็นจริงเป็นจั ง, ง Johnny. จึงกล่าวอย่างนั้น ที่นันก็มีปัญหาที่เป็นปัญหาเก่าอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีตัวตนทํากรรมตะเวอยผลกรรมแล้วจะทำไปทําไมเนี่ยไว้กลุ่มตรงนี้แหละมันศูนย์เปล่าใช่ไหมล่ะเมื่อไม่มีตัวตนทํากรรมจะทําไปทําไมทําไปให้ใครตรงนี้นะ่ะคิดคิดไม่ดีมันก็แหมชวนให้นม่นอยากอทำ ทำบุญทำกุศลทำอะไรเลยอยู่ไปวันๆโดยไม่ต้องทำอะไรชวนให้ขี้เกียจไม่รับผิดชอบที่คนตั้งปัญหาอย่างนี้หรือถามมาอย่างนี้นะมันสะพรบอกอะไรรู้ไหมบอกอะไรบอกถึงความไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็บอกถึงความเห็นแก่ตัวของบุคคลอันนี้เราไม่ได้ว่าคนนั้นแม้เราเองเราก็คิดอย่างนี้เรามามีกลอดด้องดูเพราะอะไร เราเนี่ยนึกว่าอะไรถ้า ม, มีเราเป็นของเราเราได้เรามีแล้วเราอยากทําแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราทําอย่างสําคัญว่าเป็นของเราเนี่ยมันถึงจะได้รสได้ชาติได้ความสุขสะสมอะไรจริงถ้าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมันไม่หมดความสุขอะไรแต่คิดไปเป็นอย่างนั้นอย่างคนไม่เข้าใจสภาวะธรรมนี่ผมกําลังจะมาช่วยให้ดูว่าถ้าสมมติว่าคนเนี่ยคิดอย่างนี้กันหมด ในทุกๆ ก, กรณีเกิดอะไรขึ้นนักสังคมสงเคราะห์มีไหมในหลวงจะปกครองบ้านเมืองอย่างนี้ไหมพระพุทธเจ้าหรือนักบุญจะโปรดจะช่วยคนช่วยสังคมหรือไม่และถามว่าเราเองเนี่ยเราคิดอย่างนี้ทั้งหมดหรือที่เราทําความดีใครตะใ ค, ใคเนี่ยคิดอย่างนี้ทั้งหมดทุกเรื่องทุกกรณีหรือไม่และ ถ้ามีใครคิดจะท่านอย่างนี้เมื่อจะทําอะไรให้กับท่านเมื่อจะทําอะไรกับสังคมเนี่ยท่านคิดว่าดีไหมและที่สังคมอยู่ได้เนี่ยเพราะคนคิดอย่างนี้หรือเพราะมีบางคนคิดในลักษณะไม่นึกถึงตัวเองไม่นึกถึงการได้ของตัวเอง ป, ปะปนอยู่บ้างมากสังคมก็เป็นสุขมากใช่ไหมฮะนี่นี่ในแง่หนึ่งนะครับ เกิดจากความคิดว่าไอ้ความเพ็นแก่ตัวแล้วคิดว่ามันถึงถ้าเราทําอะไรแล้วมันมาถึงตัวตัวเราได้เนี่ยเป็นเป็นสุขนี่ยังไม่พูดเอยตัวเรามันมียังไงยังงอีกเรื่องนะความเป็นจริงแล้วมันกลับตรงกันข้ามว่าคนที่ทําอะไรโดยที่ไม่ได้คิดว่าเห็นว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ได้คิดถึงความที่ตนจะได้อะไรกลับมีความสุขมากกว่านี่ไม่ใช่พยายามแกล้งพูดนะ หรือพยายามจะพูดเข้าข้างธรรมะนะไม่จริงจริงนะพระก็พูดมานานแล้วะครับพูดอย่างนี้แต่ว่าเราจะเข้าใจจริงจริงรู้สึกเห็นแจ้งเห็นจริงได้แค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องอนุมานเอาจากเท่าที่เราทำได้แล้วมันกลายเป็นว่าคนที่ทำอย่างปล่อยปล่อยว่าตอนทําก็ไม่ได้เอาตนเข้าไปทําทําแล้วก็ไม่ได้เอาตนเข้าไปผูกกระผลที่มันมีมความสุขมากกว่าจากการปล่อย ทั้งปล่อยผู้ทําปล่อยผลที่ผู้ทานั้นทําแล้วจริงไหมละ่ะนลกออกมหมยิงนานก็ยิง่งเลกออกเออว่ามันมันมันไม่ไม่เหมือนกับที่เราคิดค น, นคิดว่าอะไรที่เราทําแล้วยึดเนี่ยเป็นสุขแล้วโดยเฉพาะยึดตนพัวพันกับตนแล้วเป็นสุขจึงหวงว่าจะไม่มีตรงให้ยึด ไม่มีตนให้เสวยผลทำแล้วมันหลุดแท้ที่จริงแล้วความสุขที่เกิดจากความไม่ยึดทั้งในขณนะทำแล้วทาแล้วก็ไม่ยึดผลเป็นสุขมากกว่าแล อ, อนี่ น, นี่อันหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ที่ไปเห็นความเป็นอนาาัตตาว่าเราเนี่ยเจ้าหุงข้าวก็เป็นอนาาัตตาข้าวที่เราหุง กำลังจะเปิดเข้าปากก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครกรรมที่เรากาลังจะทำก็ไม่ใช่ตัวตนทำแล้วถึงจะให้ผลได้มันมีแต่ว่าผู้รับผลไม่มีตอนทำก็นามรูปขนาดหนึ่งตอนสเสวยก็นามรูปขนาหนึ่งทุกอย่างที่มีความรู้สึกก็เป็นตนเพราะเราเข้าไปยึดถ้าไม่ยึดแล้วก็เป็นเรื่องของทุกอย่างมันเป็นไปตามความเหมาะสม ของพลังเหตุพลังผลพลังปัจจัยพลังปัจจิยุบันเท่านั้นเองถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยไอความรู้สึกมันกลับมันออกมาคือถ้าเป็นคนตั้งหลักที่ตนและทาอะไรกันึกถึงผลเนี่ยมันคิดว่ามันชอบที่จะให้มันเป็นตัวตนเป็นของเราแต่พอมันมาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายที่จะไปยึด แล้วอะไรยึดแล้วแทนที่จะสุขกับทุกข์สุขน้อยลงและยึดแล้วมันยึดไม่ได้ยึดไม่อยู่มันก็เบื่อเราเทียบเหมือนว่าใครสักคนหนึ่งที่เราหมายมั่นปั้นใจปั้นมือว่าเขาจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วลเรายึดไว้ไม่อยู่แล้วพยายามจะยึดยิ่งไม่อยู่ยิ่งยึดเนี่ยมันยิ่งทุกข์ยิ่งมาแล้ว ยิ่งไม่อยู่ยิ่งยึดยิ่งทุกข์จริงไะมแต่ถ้าเรารู้ว่ามันยึดไม่อยู่และเราปล่อยมันยิ่งไม่ทุกข์แล้วก็แล้วมันเกิดไอ้บทตีกลับขึ้นอันหนึ่งเนี่ยนี่เป็นเรื่องบึ้องสูงต่างศาสนาเราว่าอะไรยิ่งเข้าไปยึดเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งเมื่อคอยยากอยู่อะไรยิ่งไม่ยึดเนี่ยมันยิ่งอยากอยู่มีแต่เราอยากจะวิ่งหนี มันเลิกมากลับแต่ละปฏิกรับในลักษณะอย่างนี้ก็เลยสรุปแล้วเนี่ยสภาพความเป็นจริงไม่ใช่ตัวตนและเราไม่เข้าไปยึดสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างนั้นมันดีกว่ามีความสุกขกว่าการที่จะเข้าไปยึดตอนนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทําไม่มีผลของการกระทํามีแต่ไม่ใช่ตนเนี่ย และปู่เสวยก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนทั้งโดยที่ว่าความเป็นตนไม่มีแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเนี่คือบทอธิบายมันเปลี่ยนไปตอนทําก็ตอนหนึ่งตอนรับก็ตอนนึ่งคือความน่าเบื่อนะแต่ไอความน่าเบื่อตัวนี้ไม่ทําให้ปู่ น, นั้นทอดทุละก็เพราะว่าคนนั้นมีน้ําใจด้านอื่นเข้ามาแทนไงว่าเมื่อไม่ใช่ตัวตน ไม่ยึดก็เกิดความรู้สึกรับผิดชอบเราเราเทียบเหมือนว่ า, เร า, าเราไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเราไม่ใช่ญาติโกฏิกาไม่ใช่คนเชื่อชาติเดียวกับเร า, าศาสนาเดียวกับเราเนี่ยเราไม่ได้ไปยึดโดยอาการอย่างนั้นแต่มันมีความรู้สึก ด, ด้านอื่นจากความที่เราไม่ยึดเนี่ยคนจะให้ความไปยึดติดจริงก่านี้นความรู้สึกด้านอื่นมันเข้ามาแทนคือความเมตตาการุณาความรับผิดชอบโดยทำด้านอื่นเข้ามาแทนก็เลยทําให้ บุคคล น, นั้นเมื่อไม่ยึดแล้วจึงทำด้วยเหตุของความไม่ยึดทําอย่างยึดก็อย่างไม่ยึดสเสวยผลอย่างยึดก็อย่างไม่ยึดผมก็พูดๆอย่างนี้แล้วผมกลัวเนี่ยมันฟังดูเหมือนผมมาบาลานาโวหารมากเกินไปนะเพราะว่าพูดกันมาจัดแล้วเรื่องนี้นแต่พยายามจะให้นึกถึงไอ้ส่วนที่มันเป็นสาราว่วาเออมันดีกว่าจริงๆ่ะถึงเราจะยังเป็นคนยึดอยู่ แต่เราก็เข้าใจความไม่ยึดแล้วก็อยากที่จะไม่ยึดให้ดียิ่งๆขึ้นอ่อนิมนเอ่อต่อมามีโยมเป็นชาวต่างประเทศคนหนึ่งฝึกกประมาณฐานใคยมาที่ประเทศไทยแล้วก็แกก็ทำบุญเัินมาก็บอกว่าเออขอไปขอให้็ได้บุญเยอะๆจนทั้งสีวตจะได้ผ่าน ก็เลยบอกอาธมาบอกว่าผมไม่ได้ทำเพื่อนิพพานก็ไม่ได้ทำเพ่อนบนุญเนยผมทําหน้าที่ของผมว่างนะไม่ทราบว่าตรงนี้ยังมีความหมายไหมคือทหน้าที่ทําตามหน้าที่ของชาวพุทธเธ อ, อเรื่องนี้มีลึกมีตื้นนะฮะมีลึกมีตื้นคาพูดอย่างนี้ อ, อในส่วนลึกก็หมายความว่า อ, อบุคคล น, นั้นอยู่ในระดับที่ เลยสิ่งที่จะไปหวังอะไรดอะไรแล้วก็ทําแล้วก็ก็ทําไปอย่างนั้นเองทําไปตามหน้าที่อ่าอีกระดับหนึ่งก็คือทําเพราะเข้าใจอะไรบางอย่างได้แค่นั้นนะฮะอย่างงนเมื่เราเลี้ยงลูกเนี่ยเราเลี้ยงตามหน้าที่เราเป็นพ่อเป็นแม่แต่อันนี้ก็คือเลี้ยงไปแค่ในขอบเขตในข้อมูลแค่นั้นก็ถูกการขั้นหนึ่งแต่ว่าถ้าคนที่เขาก็เกิดรู่เออลูกคนเนี้นะ ชาติก่อนเนี่ยก็เคยเกลือกูดเราไว้เลี้ยงแล้วอีกหน่อยจะเป็นอาหารหัตสมมติเนี่ผมสมมติพูดก็เลี้ยงไปในลักษณะที่มีเหตุผลอะไรแต่หลายมากกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ อ, อทําอะไรแล้วก็มองอะไรลักษณะแคบหวังผลแคบแคบตามข้อมูลที่มองเห็นนั่นก็คือเขาก็ทําตามตื่อของเขาระดับนั้น ถ้าคนไหนที่เขาเนี่ยมองระยะไกลแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ว่าสิ่งที่เขาจะได้เนี่ยมันไม่จาเป็นสำหรับเขาแล้วเขาถึงความสำเร็จในผลนั้นแล้วก็ไม่ต้องการก็ก็ทำเป็นเครื่องประดับจิตทำไปตามหน้าที่ตามเป็นแบบอย่างไปตามเหตุผลไม่ใช่เพราะไม่เข้าใจแต่เพราะไม่จาเป็น อันนี้ก็คงต้องคุยต่อว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรท่านรู้จักไหมละ่ะเพราะว่าเขาศึกธรรมะทางด้านเส็นแล้วก็เคยพาไปพบท่านเจ้าคุณพุทธทานแล้วก็มาบวชที่บบทนี่ยะมาเรียนภาษาไทยที่นี่ เพราะว่าเมืออ่อเมื่อบวชเป็นพระมีพุทธศาสนาอยู่ในประเทศไทยก็ต้องรู้ภาษาไท ย, ทยถ้าจะไเรียนธรรมสัมนฟังแล้วคือฟังคามรู้ของแต่ที่จะมีอยู่แล้วถ้าเราไม่ต้องมาเรกเสียเวลาปฏิบัติอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยเใช้ได้ก็เลยก็ตัดสินใจอยู่อยู่ที่ออสเตรเลียนะแล้วับคือเขาว่ามีความหมายตรงที่ว่าเขาทําตามหน้าที่ของเขาก็ไม่ทราบว่าเขายลึกมากา้แค่ไหน แต่ว่าหลายครั้งเขาก็เคย เ, เห็นหนังสือมาถามเอามามาปารบว่าเขาเองเนี่ยลำบากแล้วก็รู้สึกบ่ารบในด้านใจชักไม่ใช่แข็งแก่งเท่าที่ควรแล้วบางคนเนี่ยก็อาจจะทำทีเดียวแล้วมุ่งผลหลายๆอย่างมีสูงมีตำ่ำอยู่ในตัวเสร็จเช่น แสมมติมอย่างผมยกได้อย่างว่าคนครองเรือนปฏิบัติหน้าที่สามีภรรยาเนี่ยทั้งโดยหน้าที่และทั้งโดยบุญลูกเจ้าสอนทั้งสองอย่างนะฮะโดยบุญเข้ามาก็ไปสวรรค์ได้อย่างนี้แล้วก็บางทีโดยหน้าที่หน้าที่บ า, างที่มันซ่อนกันว่าเพราะว่าอคนที่เราปฏิบัติโดยในยบางทีในความเกี่ยวข้องด้านหนึ่ง เอาตัวอย่างง่ายๆพระเจ้าสงเคราะห์ญาติเนี่ยเป็นญาติ ด, ด้วยเป็นชาวพุทธด้วยปนกันอยู่นะเราไปใส่บาทพระที่วัดเป็นลูกเป็นหลานด้วยเป็นอพระด้วยปนกันอยู่อย่างนี้มันนั้นบางทีเราทําคราวเดียวแต่ว่ามุ่งผลหลายๆอย่างมีทั้งลึกทั้งตื้นแล้วบางครั้งเนี่ยเราทาแม้แต่ให้เป็นแบบอย่างแก่คนอื่นที่มองเห็น ไม่ใช่สักแต่ว่าทำเป็นแบบอย่างอย่างเดียวแล้วย่างอื่นไม่สนใจก็อาจจะน้อยไปมันอันนี้แง่มุมคงมีเยอะอนะว่าต่อถ้าพูดแค่ว่าคนอื่นทาคนอื่นเสวยคำว่าคนอื่นทำคนอื่นเสวยเนี่ยหมายถึงตนตอนทากับตนตอนเสวยเป็นคนละตนกัน พระพุทธศาสนาเราก็ปฏิเสธคือตอนที่ทำเนี่ยเป็นตนหนึ่งหลังจากทำเป็นตนหนึ่งก็ข้ามพบข้ามชาติต่างชาติกันาศาสนาเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องของความสืบต่อของนามของรูปเท่านั้นไม่มีสาระเป็นตัวเป็นตอนอะไรเ อ, อธรรมะตัวนี้เป็นธรรมะขั้นภาวนาเบื้องสูงนะโดยหลักความคิดพื้นเนี่ยเข้าใจได้โดยยาก แม้เข้าใจได้แล้วทำความรู้สึกให้ปลดเปรื่องก็เปลี่ยนไปได้โดยยากผมผ่านเลยไปถึงอีกสูตรนึงเลยนะครับสาหรับสูตร น, นี้ก็พระพุทธเจ้าทรงจัดแสดงทำเป็นสายกลางในอธิบายใกล้ๆที่ว่ามาคือสายกลางนะ่ะปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยแต่มีอย่างสืบต่อเป็นเหตเุเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยนั้นในนารูปเราเนี่ยที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอตอนที่เราสมมติเราทาบุญเนี่ย ก็คือเกิดเจตนาเป็นบุญขึ้นแล้วมันก็มีพลังในตัวของมันพอไปถึงบทถึงเหตุปัจจัยมันก็ทําให้เกิดผลเกิดพลังย้อนกลับเข้ามาหานามรูปนั้นได้ความรู้สึกอย่างนั้นได้ความได้อารมณ์อย่างนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปทําบาปก็เหมือนกันก็คืออย่างนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรไปดูอีกสูตรนึงครับ สูตรนี้ชื่อว่าชานุโสนีสูตรหรือชานุโสนิสูตรเป็นชื่อของพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อเสียงมากในสมัยพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ทําให้เกิดประสูตรมากมายได้กันพราหม์ผู้นี้นะครับชานุโสณีพราหมณ์มาเป้าพระผู้มีพระภาคที่วัดพระเชตวันวเมื่อได้นั่งเรียบร้อยแล้วชานุโสนีพระามได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพระโคโดมผู้เจริญสิ่งทั้งปวงมีอยู่หรือหนอแหล พระผู้มีอะภาคตรัสว่าดูก่อนรรามโมหานิว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดที่หนึ่งส่วนสุดตรง น, นี้หมายถึงความเห็นผิดสุดตรงข้างหนึ่งพระโคโดมผู้เจริญสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่หรือพระผู้มีพะภาคตรัสว่าดูก่อนรรามโมหานิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่เป็น ส่วนสุดที่สองเป็นความเป็นปิดสุดตรงอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นอีกถ้อยคำหนึ่งที่กล่าวถึงความเป็นปิดโดยท่านใช้คำว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่ในคะถาวัตถุเนี่ยพูดถึงประพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าโศกนิกายหนึ่งชื่อว่าสัพพติกาวาท นิกายนี้ยังพอมีคำพีหลงเหลืออยู่สัพพติกาวาฏแปลว่านิกายที่มีวาทะหรือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนีอเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาสันสกฤตว่าสารวาสติวาฏในอินเดียยังศึกษาเป็นพุทธปรัชญาสาขาหนึ่งสารวาสติวัฏหรือสัพพติกะวาฏใน ภาภาคภาษาบาลีในคัมภีร์กัตถวัตุได้ยกออกมาเป็นเรื่องอภิปลายใหญ่หลายสิบหน้ากระดาษเรื่องความเห็นว่ามีมีในการทางปวงในการทุกเมื่อที่ว่ามีอยู่เนี่ยอธิบายว่าอย่างไรและไม่มีอยู่นั่นอธิบายว่าอย่างไรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะออกไปเป็นรูปของอทํานองปรัชญาทางพุทธศาสนาหน่อยแต่ว่าก็มาเกี่ยวกับความเป็น อัตตานัตตายมกันนะคำว่ามีที่กล่าวถึงในข้อเกตนี้มีสามความหมายความหมายที่หนึ่งมีคือชาติหน้ามีคือตายแล้วเกิดมีตัวตนเกิดแต่ตายเพราะว่าทิฏฐิเมื่อกี้สอง ม, มีอย่างคงที่ตายตัว มีอย่างคงที่ตายตัวแล้วก็สามมีอย่างเป็นสภาวะที่แท้จริงผมอธิบายเป็นอย่างแรกว่ามีอย่างในชาติหน้ามีนะหมายถึงสัตะทิฏฐิหรือภาะวะทิฏฐิเมื่อกี้นะครับไม่ต้องอธิบายตายแล้วเกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตัดตุ้งหมูทุกล่าวตายแล้วก็เกิดเหมือนกันหมด สิ่งทั้งปวงสรรสัตว์ทั้งปวงเนี่ยมีอัตตาตัวตนอยู่นี่นีนี่น็อย่างที่หนึ่งสัตตาที่กิ่เราทั้งหลายตายแล้วก็ต้องมีมีอมะตะเนี่ยพูดแบบแบบกลามก็แหละครับแบบกรามก็เลยแล้วก็ที่ว่ามีอย่างคงที่ตายตัวหมายความว่าตัวเราเองเนี่ยเรามี อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคุมกันขึ้นเป็นชีวิตจิตใจของเราเนี่ยเป็นของที่มีอยู่ในทางภาคเขาเรียกว่าภาคลึกภาคลึกไออาการเกิดดับอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นของภาคนอกมันเป็นอาการชั้นนอกไม่ใช่อาการชั้นใน อาการชั้นในแล้วเป็นของแน่นอนตายตัวนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ที่ว่ามีอย่างเป็นสภาวะธรรมก็คือที่ว่าสิ่งทั้งตัวเราเนี่ยมันเป็นของจริงเป็นของจริงจริงๆคื อ, อ, อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะคือจะยกให้เป็นปรมัิอย่างหนึ่งถึงขนาดเราแยงว่า เออย่างเช่นปรามัดของเราเนี่ยเราถือว่าจิตเจสิกรูปนิพานเนี่ยเป็นปรามัดแต่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าอ ะ, อะไรอะไรที่เกี่ยวข้องกับนามรูปนั้นเป็นปรามัตดหมดเช่นว่าอำนาจกรรมเป็นปรามัดนี่ผมอาจจะพูดแล้วมันลึกไปนะฮะก็เกรงใจเงินเดี๋ยวฟังจะรู้ยงยากกว่าทนาย แต่ก็จําเป็นต้องพูดให้ฟังนิดหน่อยแล้วก็อํานาจจิตอํานาจจิตพลังจิตเป็นปรมัติตอาการเกิดดับของรูปของนามเป็นปรมัติตไอ้ตรงนี้เนี่ยเราถึงพยายามถึงเราแย้งบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นความเกิดดับของความเกิดดับก็ต้องมีถ้าหากว่าความเกิดดับมีเป็นตัวเป็นตน ความตายของความตายก็ต้องมีนะฮะถ้าความตายนั้นเป็นของมีแล้วก็กรรมเนี่ยไอ้ตรงนี้นะ่ะที่จริงน่ะเราอพูดถึงเรื่องนี้โดยพิสดารนี่ก็เห็นว่าเวลาเราพูดถึงกรรมถึงอะไรแต่ไรเนี่ยเรายังนึ่นก็เป็นตัวเป็นตนเป็นปรมามัตธรรมอย่างเนี่ยอำนาจกรรมแต่่ในทางหลักเทราวาตนะเนี่ยเราถือว่าทำใดที่เป็นตัวสภาวะธรมเท่านั้น เป็นปริพันธ์หน้าธรรมคือเป็นตัวปรมัตดอาการของปรมัตดผลพวงของปรมัดใดๆถือว่าเป็นอปรินิพันหน้าธรรมไม่ใช่ตัวสภาวะไม่งั้นแล้วก็เรื่องใหญ่จะเป็นเรื่องยุ่งยากใหญ่โตไปกันใหญ่คือมันอวาตารไปกันใหญ่ว่าพลังจิตเกิดแล้วก็กลายเป็น สิ่งจะออกไปกันใหญ่ไม่ไม่จุดไม่มีวันจุดจบเลยเตือนนานว่าแม้แต่ความไม่มีก็จะพลอยมีขึ้นมาเราลองคิดดูแล้วกันเนี่ยถ้าสมมุติว่ า, าการเดินถ้าเรามีเราเดินพันเก้าการเดินพันเก้านั้นก็ต้องพลอยมีขึ้นมาอัน น, น, นี้นีดท่านพยายามตักกันยืดเยือ้อยาวออกไปนะเป็นแนวความคิดเพื่อเจมาหักว่าการที่จะพูดถึงอะไรมีเป็นสภาวะเนี่ย ต้องจํากัดขอบเขตพูดอย่าพูดเป็นจินตนาการไม่รู้จบไม่ได้และไอ้ตรงนี้แหละว่ามันมาเกี่ยวกับในการปฏิบัติเพราะไอ้ปู่ทีเขาเห็นทีก็ เ, เห็นปฏิบัติเวลาปฏิบัติเนี่ย อ, อถ้าเราหลงจินตนาการตรงนี้เราจะคลาดจากสภาวะบารมันที่ควรกําหนดรู้กำหนดเห็นคลาดแล้วมันก็ไปเป็นซีกโลกของสมมุติ กลายเป็นไม่ใช่อารมณ์วิปัสนาไม่ใช่สภาวะปรมันต้องจับตัวให้ได้แล้วก็ต้องแยกว่าอะไรอาการของตัวและอย่าไปตามอาการให้หยุดอยู่ที่ตัวจับอยู่ที่ตัวเท่า น, นั้นพอในงั้นเราเพียนจะเรียกว่าทิ้งอารมณ์ที่เป็นสภาวะบาลมัน กไอ้เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะฮะพู ด, ดว่าอย่างเดี๋ยวนี้ก็พู ด, ดว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันกลายเป็นของมีเต็มไปหมดไอ้เราที่ตายแล้วก็ยังมีไอ้พลังบางอย่างเก็บไว้ที่ผมก็ไม่ต้องการจะไปพูดเอาจริงกับจังอะไรนะเป็นเรื่องที่าส่วนหนึ่งเนึ่ยผมจะต้องศึกษาต่อเอแล้วพลังของพลังก็ยังอยู่ยโอ้โหมึงคงเดินชนแหลกรานหมดแล้วในในรอบๆตัวเราเนี่ย เราเกิดตายมาแล้วกี่โกรธกี่กลับมันก็ยังอยู่หมดแล้วจิตกี่ดวงจี่ดว ง, ดวงเกิดดับแล้วก็อยู่ไปเสียงกล้องไปกันใหญ่กล้องไปกล้องมาย้อนไปย้อนมายนะนี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางศาสนาเราตัดบทแล้วไอ้ไอ้หลักตรงเนี้มันมันถึงเกี่ยวมาถึงอะไรหลายอย่างแม้แต่เรื่องการทาเวรํากรรมเนี่ยเจตนาที่ต่อดคล้องออกไปนะเราก็มีการตัดบท ไม่งั้นเด็กกินข้าวก็บาปใส่เสื้อผ้าผ้าไหมก็บาปทั้งที่เราไม่ได้ไปกล้าสัตว์เลยนะี่ะพยายามจะสอนอธิบายสอดท้ อ, องโยบาปไม่ถึงตัวคนนั้น ไ, ได้เพราะว่าสัตว์นี้ข้าวที่เรากินเนี่ยบังเอิญไอ้ข้าวชามนี้อ่มันมาจากนาแปลงที่เขาใช้ยาฆ่ า, มาแมลงและไอ้คนทํานาแปลงนี้มันก็บาปมันฆ่าทั้งมแมลงฆ่าทั้งงูงเยี้วเกี่ยวคอย เราจะมาบาปให้เราด้วยทั้งที่เราไม่รู้ไม่ชีเลยเยงนะโอ้เลยเลยต้องตกนรกวันยังข้ามนี่ในแง่ของกรรมนะในแง่ของข้อเท็จจริงก็คือเรื่องความมีความไม่มีซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะไปพูดว่ายังไงแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลเสียก็คือว่ามันจะลวกเข้ามาสู่ความเป็นตัวตนเที่ยงแท้แน่นอนซึ่งขัดใจพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ขัดหลักภูสาสนาลองคิดดีฮะว่าสมมติว่าเราตายแล้วไม่เป็นอันตายเนี่ยเราต้องมีอันตาตัวตนใช่ไหมมีคนละหลายอันตายโอ้โหแล้วมันจะอันดี้วุ่นวายน่าดูนะชาวคุดเรายุคนั้นมีความคิดลักษณะอย่างนี้แล้วจะเป็นหลังกุธกานนะทีนี้พูดถึงว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่แต่ความเห็นเมื่อกี้คือมีอยู่ อย่างเช่นคนเลยเรียกว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่พวกนี้เป็นพวกที่ถือว่าตายแล้วศูนย์อย่างหนึ่งแล้วก็ถือว่าสภาพอะไรๆเนี่ยเป็นเรื่องของสมมุติึ่งมีนิกายพุทธศาสนา ที่ตนเริ่มต้นของมหายาณของพระนาคาราชุนนี่กายสุญญาวาสนี่กายสุญญาวาสหนึ่งก็อธิบายเป็นเรื่องของสุญญตาแต่ว่าบทอธิบายของเขานั่นก็ค่อนข้างจะมาสอดคล้องกันนัตตาแต่ว่าฟังดูอาจจะลึกซึ้งไปหน่อยนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตุจากปัจจัยเมื่อลื้อเหตุจากปัจจัยออกเตียงก็หมดทิ้งสภาพไม่มีสภาวะสิ่งนั้น แม่นิพานก็ อ, อไม่มีไม่ได้เกิดจากเหตุจากปัจจัยนิพานก็เลยจะพลอยเป็นศูนย์ไปอะไรอย่างนั้นทีนี้พระพุทธศาสนาเราเนี่ยเราถือว่าเราไม่พูดว่ามีอยู่อย่างในความหมายผิดและไม่มีอยู่อย่างปฏิเสธสิ้นเชิงมีสภาวะปรามาจาร์มีอยู่แต่ว่าสภาพของความมีนั้นเป็นอย่างที่เราพูดถึงในพุทธศาสนา ศาสนาจริงเป็นศาสนาที่ไม่คาาเกี่ยวในส่วนที่สุดทั้งสองจึงได้ทรงอ้างถึงปฏิจจสมุปบาทว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นกล่าวถึงความมีอยู่อย่างนม้ใช่เป็นตัวของตัวเองก็คือเป็นอนัตตานั่นเองทีงนี้ลามนี่ก็ฉลาดนะ ตอบแล้วผู้มีเสื้อผ้าได้ตรัสอย่างนี้แล้วก็อนุโมทนาว่าแจ่มแจ้งนักแจ่มแจ้งนักท่านพระโกโดมทำของพระองค์ที่แสดงนั้นเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางตามประทีปไว้ในที่มืดได้หวังว่าคนมีจักสุจักพึงเห็นรูปดังนี้พระองค์ไดทรงประกาศธรรมโดยเนกปริยายชั้นนั้นเหมือนกันตามถึง ประพุทธร็ตามประสงค์ว่าเป็นสาระที่พึ่งตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอมีเป็นเรื่องพูดกันอย่างหลักธรรมในทางลึกเ อ, อทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาทั้งนั้นที่ว่ามาหลายๆสูตรเนี่ยครับแล้วก็รวมทั้งสูตรที่เหลือด้วยอวันนี้ก็จะยุติแค่เท่านี้นะครับ